เส้นดิดนน้าไฟร่องกับเส้นโลกส่วนลูกรอบนึ่งชวนลูกขันรอบหนึ่งโลกดิดนน้าไฟร่องทางในนังหุ่อยู่หลายรอบโลกดิดนน้ำไฟร่ฟรองท้ายนอกนังหุ่อยูพวกคนอื่นสัดอื่นนมโลกเดี๋วมีจะลูกกำน้ำเท่านั้น ลู ป, ปังไปว่าลูหน้ามั่งไปมาซื้อมัน่นก็คือเนียกแบบพวนีแตกสลายล่องดินใจไปเบนดินน้ำไปน้ำไฟเป็นไฟล่มเป็นร่มน้ำออกไปแต่ออกไปคือกาน้หน้ามาหน้ามี่มีมาลายยางสะพานน้ำก็ดีเอก้าหน้าก็ดีก็คือคือเนียแบพวเนี้แตกสลายเหมือนกัน ถ้าป ร, รูกเอก็รซ์ูกก็ดีลูกในที่ไก่ที่ไก่ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประเุทคือกันวัดลูกขันน้ําคั น, เ, ค น, น, คนเกิดดักเป็นวัดถ้าวางว่าไม่ได้สังขารใดเกิดในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดในอนาคตสังขารนั้นสลับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันคําพูดแต่ละอย่างละอย่างก็ลวกไปลวกไปลวกไปลวกไปลวกไป นึกขึ้นแต่และอย่างเลยอย่างก็ล่วงไปลวงไปลวงไปลงไปเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีทกางมาดนคือกายสังขารสภาพอันแ่งกายวจีสังขารสภาพอันแกจิตจิตะวจีสังขารอันอันสภาพอันแกวายจาริตะสังขารสภาพอันแกจิตเนี่ยเลยคขึ้นแล้วแต่ผลที่แกสร้างให้กัน <î> mm> เกิดท้มทองฟ า, ารี่ยสายหน้ามัธย์หาลูกซ้ำนี่หลที่พท่านนหพระองค์เจ้ามันเป็นพระเวทสันดอ น, น, นพระท่านนายพามงูเหามาได้ร่องขึ้นป่านนัน้นหรอกพระปารธนาเป็นสาวกเมื่อปารธนาเป็นพระที่เจ้าว่าร่งขึ้นปออ่าพระองค์เก้ารอกพระองค์เก่าท่านลูกท่านเมียขอบบัทตท่านแม่หูแม่ตา คบมัดโง่งเจ้ายามันจะไปวุ่นมันแล้วมันจะตามภาษามั น, มนไม่ไมีลมบอกมีลมออกมาหายจะกระปองเอาากกองลยนะเกิดมาเกิดมาเก่อนทุกมานำ้ำเกิดมาที่แดกเพราะออกมากอะหายกับเ ม, มื่อหายรอดมันเสียว่านธรนสนามทุกได้เกิดมากรรมเมื่อหายมัดชุดเสียบมาโมเห้องกัด เห็นว่าปานมุหักแ บ, บ่มือแปลงแซงบอกเอ า, อางไปนําเอาไปเจ็บับก็บุญผู้ผลจากคิริศไปแล้วออามาคลนนพ่านไปด้วยเอาพนันในพ่านไปเราเข่าสู้พนันในพ่านบริออกมาจากมนุษย์อปฏิวัติเพื่อเข่ า, ขาสู้พนันในผ่านไปนะมันมหลายนีม่มีทั้งหลายก็ตาม นีเ่เห็นเดือนเห็นดาวเห็นแสงว่าอาทิตย์พาวนหน้าไปเห็นแท้พวดแท้วดาเห็นอินเป็นพุ่มกรชาเดินโยกมพรวนหน้าในอากาศกระตาเดินโยกมในอากาศกับนี่พรวนหน้าในอากาศกับนี่ไปยีร่างกายในอากาศกับนี่โรยฝนเหาะไปในอากาศถึงเล็บแบบมือกับนี่เหาะทะลุปโป๊ะเข า, ขามืนกับนี่ หอทะลุภูเขาหอไปยังไรแสงสร่างมันพุ่งไปสะกการมันทะลุภูเขาสักการมันเกิดปีเดียวก็หอไปน้ําแสงสว่างอ่ะมื่อวันทีไปเอาหัวไปช่อนภูเขาก็แตกตายเลยแสงสร่างมันไปก่อนทะลุเลยออกหนอกมันก็สอดจ้องโป้งก็ห่อไปนล้วไปไหนมันกาลังมันก็สอนเราว่าคือก่นมันอยู่ในอานาจอำนาจอายจิตจัง มาไปถือเอาเป็นขอ้อมูลในสุดอุตมะกระ่าดมันก็ไร่ซ้ำนั่นแต่ว่าบุญสั้นนั่นนั่นเกิดดับเป็นย้อนวันบ ร, รุญค้นค้นภาวนานิ่ฉันภาวนาคิตไม่ว่าล้อปู่จะทำยังไงไม่ได้ทำยังไงละ ท่านสำคัญว่าจ anyway, ิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่าง้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตนะตนเป็นแต่สักว่าตนตามสมมุติจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตตามปณมัติแล้วมายึดมั่นในจิตนู่นถือมั่นว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ว่างอยู่นั่นที่นั่นเองถ้าไม่เห็นชัดอย่างนั้นมันก็ไม่ว่าง เวทนากขข้ามไม่ได้นะจะทำยังไงถ้าเวทนาสำคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่สสำคัญว่าเวทนาเป็นตนต น, ตนเป็นเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่นะที่นั้นเองอะไรอะไร ก, ก็เหมือนกันหมดปัจจุบันอดีตอนาคตก็เหมือนกันหมดปัจจุบันคืออะไรคือขิตในปัจจุบันคือผู้รู้ในปัจจุบัน อันดีตคือผู้ลู่ที่ล่องไปแล้วอนาคตคือผู้ลูที่ยังไม่มาถึงพร้ลูเกิดดับละเอียดเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับละเอียดเกิดดับก็ติดต่อกันจนเป็นพืชจงพูดตามจริงพริบัตตามจริงรุษพ้นตามจริงซะพระพรทธศาสาศานาธรมะชั้นสูงธรรมะชั้นสูงอยู่ในที่ใดศีลชัน้นสูงก็อยู่ในที่นั้น สมาธิชั้นสูงก็สัมพยุติกันอยู่ในที่นั้นปัจจุบันก็เหมือนกันมียิ่งยอนกว่ากันปัจจุบันพระโสดาันปัจจุบันพระสักธาคา้ามืปัจจุบันพระนาค้ามืปัจจุบันพระราหันปัจจุบันพระพระเจดปัจจุบันพระสมารสรพพุทธเจ้าไม่ยิ่งย้อนกว่ากัน เพราะมีกําลังต่างกันแทนธรรมะแทงชาวนะของปัญญาสัมปยุตสติเส่อกัร น, นั้นว่าไรปัจจุบันของกําลังของซาปัจจุบันกําลังของอาจจะสีสามารถเทียมกันว่าไรไมนมีกําลังต่างกันปัญญี้ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาของพระสารกศีลมาเทียบกันก็บม่ได้มีกําลังต่างกันนะโมแปว่านอบน้อมนะโมพระสุวรบัณนะโมพระสักระธาคามินะโมพระอนาคามินะโมพระอรหันต์นะโมพระอรหันต์นอบน้อมจนไมีมโกรธไม่โกรธไม่หลง เม่มีกิเลสนโมพระหาหันจบกิดนโมละไรแค่นโมจบพระโสดาวันเป็นนโมเบื้องต้นนโมพระโสดาวันนอบนอ บ, นอบมาลวงละเมิดศีลหาเข้าลบศีลหาเข้าลบประพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาถือศาสตราอื่นมาปนเปยเดี๋ยวมสงสัยคำสอนพระพุทธพระธรรมประสงค์ด้วย เ ม, ม, ม่ได้รูปคั่มหน่อยคัสอนพระพทระธรรมสงฆ์ด้วยไม่เลยเมื่ได้รูปค่มหน่ยขอวัดปฏิปทาของตนด้วยนโมพระสวดารวันเมื่อเชิดายอยากลวงอำระมือถออบายมุกด้วยเมื่อเชดายอยากถื อ, อยูย้งข้องกะพันด้วยไม่เียดายอยากจะถือโลกดีงามดีด้วย นั่นมันาใใกันเอกไปจากนี้บะเลยหน่อยมัค่ายมากนีั้งมามาัมา้เขามาทางนี้ใช่ไ น, น, น, นี่น่มัม้ี่มัอ้อ้าวอาวสนอุ่นมาสนอเอามาม่งมาพี่มาอือค่อยๆม า, านะขอโอากาสขอโอกาสเนาะโอกาสลงปูสนอล้องพอสนะออกออออไปออกใช่จอดไอ เอาพุทโธธรรมแล้วก็ฝหัวให้ลงถึงใจเนอะไป ใ, ใจถึงพระพุทธาภิษฐ์ใจถึงพ่อหน้าไปพันธุ์พาพ่าหน้าห้เบื้อนรโลกพ่าหน้าห้เบื้อนรโลกโลกไม่ไน้อนั่งหมอยู่เลยหรอก ข้าหาน้าให้ลูกแจงลูกลูกข้ายในคือหนังหูอยู่เลยรอบว่าเป็นหกไม่ตาหูจงเลียนกายใจว่าเป็นสามไม่กายว่าใจาใจมาเป็นสองมีขายกับใจมาเป็นหนึ่งไม่ใจอันเดียวว่าเป็นสี่ไม่ดิน้ำไผ่ล่มหรืออนเนรซาตีเป็นต้น มาเป็นหาคือขันหามาเป็นหักคือตาหงจงูุลิ่นกายใจว่าเป็นเจ็ดคือถ้าตาว่าเจ็ดหรืออริยสักเจ็ด มาเป็นแปดอันทั้งที่กาขามังค่าแปดยุโรกระทั่งแปดมาเป็นเก้ามักสี่คนทีจะผ่านหนึ่งมาในด่านทีริด็ดมักคือบนทีนเก้าอย่างมาเป็นเชกุสันเามาบด 10, เอากุสันเขามาบดเ มาออกไปจกใจนี่ละยดน้ว่ากับาหาใจนี่ละพอใส่เป็นผัวว่าสันกับมันใจผัวว่าวายาวกับมันใจผั ว, วร่างกายเลียวว่าเปลี่นเพเป็นยน้านมายุหัดนั่งใส่ผ้านังนอดใจ่ผ้านอนร่างกายแล้วนั่งนอดเปลี่ยนเพราะมีย้านมายุหัผู้สร้างเหตุกับมันใจ คนได้รับผลกับมั่นใจนัดดีกับไปบวกดียุติใจนัดชั่วกับไปบวกชั่วยุติใจฮะมันบวกเองมันเมือออ่ อ, น อ, อาาในตอนเขาขอกยากคือง่วง ค, คือควยทำดีล่ะมันเขาหาใจโลดทำชั่วแล้วก็ตอนเขายากคือง่วงคือควยมันเขาหาใจโลด ใจิบปติเสธไปใช้ก็ไปบ่ออดใจปฏิเสธใจก็หุ่ยักษ์ก็ใจปฏิเสธอยู่ไง น, นั้นที่ทีโกลงโอและอาอยู่ที่ใจนุ่ใจมีคุ้นเป็นมหันฯไม่โทษเป็นอนั่งทับถึกก็มีคุ้นเป็นมหันฯทับถึกบ่อยๆ ถ้าเพจใบไมกับเบโทษเป็นอันั้นคือกันก น, นอกจากไก่บ่มีอันไหสิรูจักโทษบุญคุ้นว่บ่มีอันไหสิรูบุญตัวบาปเจงเราเมืงอเงเนาะเจงเราเมืองง่ายคืออันว่าผดเราเมืองผดมองยี้ี้จวนพอมันมันไผ่พอมันโตบ่ ก็ชีด <würden ancia mentor> ูคือลูกนอกที่มัน่ก็คงไม่แน่นพื่อพอมั่งพยายามไว้ละเนี่ยแนวแสนละยัไปอมเนะมันเสีหล่มทับแล้วมันทางข้อเนะเจ้าจะไปอมเนะเจ้าเนาะอมแล้วมันหล่มทางข้อเนี่ย ธ่ารกาธ่ารโกาท่ารกาสอง พ, พิ้ากเพียรนอกเกิดทุ่นทองไปรียู่ใสออกไปไผ่นอกเรีนจะขอบสาราในคู่หาเชิญทำตายทึกหน้าแม่ห น, น้องร่มพัดฟ้องนี่ยองเงือกหนจ้องลงว่างหน้าบัน ด, ดังเข่าทองสายทั้งพียรทั้งนอกแหละก็ไม่รื่อบุโรจะองอแคมกูไม่นีหน้ามันจะตแตกจักทลาย ที่จะน่าไปา็นไรหัวใจจะขาดหาลูกมันบ่เห็นหัวท่านนี้ไปแล้วมันบ่เห็นเลยทำเจ้าท้าเห่าหรอขากรต่ายฆ่าผู้เขาน่ก็เไม่ได้เหรอันนี้บอลูกเขาเด้ลูกเขาเด้ยังยยงบมืออยู่หัวว่าปากเฮ้ยจำ ไ, ไม่ยุทเจ้าท้าเห่าขากรต่ายปานนั้นนะพันสามบา ร, รมีมา จะเข้าวัดไดป่านนั้นหรอกสมพสานะผลเป็นพระพุทธเจ้าผูมสาวกเข้าธานปารมีเศรปารมีเนชธรปารมีปัญญาปารมีวิความเพียรวิริยะปารมีขันติปารมี สัจจะปารามีอธิษฐานปารามีเมตตาปารามีอเวกขาบารามีรวมเป็นสิทัศน์ในท่านขนาดกลางอย่าว่าท่านปารามีในท่านตัมก็ห้ากลิ่นห้าใสอ๋อในท่านขนาดกลางขาดตัมก็ห้ากลิ่นห้าใส อย่าว่าธาตุนะปารมีห้ทานเสมอเท่ากินเท่าใส้ดี๋ยว่าธาตุนะอุปปรารมีห้ท่านุเนืออันเทากินเท่าใส้ไปอีกของห่วงที่สุดอย๋ยว่า่านะปรารมิตาปรารมีรักษาศีลสั่งแกงงูข่างแกงหัวงูแบบลื่นอย่าว่าศีลนะปรารมีรักษาเชงก็ก็นั่นอีกดี๋ยวศีลอุปปรารมา ปานมีรักษาเสียเจนเอาสีิตแรกเอาเดี๋ยวก็เสีลปาามัตราปาามีออกหมวดเท่ากันออกหวดพ่า่างแข้งหงูนะบินเดี๋ยวกันี่ขมักปานมีออกหมวดแข้งไปก็นเนี่ยขมักผู้ ป, ปานมีออกหมวดย่อมเป็นย่อมตายก็ปรนพู้ที่ชาตนะ เดีย๋ยวนี้คมว่าปามาธาปานมิปัญญาปานมิปัญญาขนาดตำตำในโลกในโลกขี้ปัญญาอุาปปาณมิคือปัญญาสูงไปก้อนนี้ปัญญาปานามาธาปานมิแปลว่าปัญญาเพื่อทีเอาโตโออกรอก ห, หลอดในวัฏสงสารเนาะพ่วนาะ ข้อมเพียรกับเมือมกนกันวิริยะอดทนอดทนขนาดตำอดทนขนาดกลางอดทนขนาดยิ่งสเสียชีวิตยังก็ควอมเพียรกับตามย่อมเสียเหมือนเพียรไปน่าทางดีเนี่ยกว็ว่าวิริยะปรมัทธาปรมีสัมปนุอดทนเนี่ยขันติปรมีสัมปนุอดทนอย่างต่ํา จะไอภทยในทางที่ดีได้ว่มออันอภทยในทางที่ซัวอภทนในการทำวามดีได้อภัยยางกางอีกอภัยยางละเอียดที่ย่อมตายต้อพวกอภทนกันสร้างเท่าั้นคือว่าพระเจ้าพวนเพียนทุ่มเทร้งองคำว่าอะไรมรรคผลในพานครับนี่เมื่อรุกนี้ไปใส่เหนตายย่อมตายเ นั่นแหละว่าขันติปรมาตถะประมีสัมป น, นหรือเวญญ ร, ริยะปรมัตะปรมีสัมปนุว่าความเพียรเอาไว้เหนือฝากเอาไว้มอบชีวิตไวร้รอดสัจจะดังองธิษฐานก็คือนกันเมตตาเหมือนกันเมตตาเอาชีวิตแรก ็นให้คนตกน้ามึงสิยอมตายน้มาพยง่ามออกขืนได้ม่ได้กระชางยอมตายนแํมนอกจากขาพุทธเจ้าศาสนาสิทธิ์ไดุ้มื่นอื่นอะไรแล้วมีแต่สั่นการปฏิบัติข้าพุทธเจ้าต้องคอยปฏิบัติยาก โม่ห้องวดัดปนานนรกภูมิสาวกกรรมฐานในเท่าพุทศาสนาร่องวัดเฉกเขาออกเป็นหอดกรรมฐานที่จะน่าคน้ายจ ค, ควบก็ได้พี่จะน่าคุ้นมาพุ้นกระทั่งผสงควบก็ได้พีจะน่าอนกางทุกครั้งอาาควบก็ได้พีจะน่าสันขานควบก็ได้ สังขากับอ น, นิจังทุกครั้งก็น่านนตากันเดียวกันพิจารณาควบตายควบก็ได้กรรมฐ า, านอ่านเอาไปใส่ใส่เอาไปสัมปโยกกับเอาดึงกรรมฐ า, านไดนมาใส่เก็กระบอกพิดเอาควบตายก็ไม่ทุกข์ละมั่งใจเขาออกนะคุณคุณพระท้าพ ร, ระสงฆ์ก็ไม่ทุกขละมั่งใจเขาออกนะ ควบเป่ยควเหนาในสะกนรลังกายก็มีทุกลมหายใจเขาออกโลภโกดหลงก็มีทุกลมหายใจเขาออกเลอันบ่แม่โรภแม่โกดแม่หลงก็มีทุกลมหายใจเขาออกอันท่นไปแล้วก็มีทุกลมหายใจเขาออกผู้คนจากที่เร่ก็พ้นไปแล้วมัมีข้างหน้าข้างหลังคือลมหายใจเขาออกผู้พยาย่ามจากพ้นยกกับว่ามีข้างหน้าข้างหลังมันลมหายใจเขาออกผู้ที่บ่มีบามีบุญก็บว่ามีข้างหน้าข้างหลังมันก็ลมหายใจเขาออกไม่ใช่ไหนวัด มันจะปัญญาสัมปจน์บัดเ็บฟุ้งซ่านก็ไม่ใทุกครั้งาใจเข้าออกเิดว่ลฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ทุกครังหใจเข้าออกอออยู่อไหนั่งยาห้างเดียวใ่ในพันซองคนะเราจักตั้งจิตหายใจเข้าเราจัตั้งจิตหายใจออกเราจัตั้งสติหายใจเข้า เราจะตั้งสติหายใจออกเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกเราจะพิจารณาเนืองๆเปตนของมาที่อย่างหายใจเข้าเราจะพิจารณาเนืองๆก่อมเพื่อจะอย่างหายใจออกเราจะพิจารณาเป็นทศวรรค์กายต้องควบลงหายใจเข้าพิจารณาเป็นทศวรรค์เวทนาต้องควบลงหายใจออกเราจะพิจารณาเป็นทศวรรค์จิต พ้อมกับลมหายใจเขาออกเราพิจารณาเป็นแต่สัพวะทรรมพ้องกับลมหายใจเขาอนั่นและถือวัดเราสันปานครบแปดมื่นที่มาทำกันอืมไป็ปทุกข์กับทุกข์เนาะออกจากนี้ใช่ปะต้องระเป้าหันหัวใจหรอกการเป่าหัวใจนมันเป่าถือได้มันจะกระซิบเป้าใจมันไมีรู้เนี่ย มิตรดอกบวัวตูมยังไงบอกมาจาเจ้ากินน้าใช่ได้เจ้าเนาะคันเรนเรกเรเป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นพุทมวิบัติเป็นนิพพานวิบัติพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุทมสมบัตินิพพานสมบัติไปนในตัวคันเว้นก็เป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์สมบัตสวรรค์สมบัติพรมสมบัติที่ผ่านสมบัติไปในตัวคันพระเปลนคันพระเว่นก็เป็นมนุษย์มีบัตรสวรรค์มีบัตรพร่มมีบันรในผ่านมีบัตรพระพุทธศาสนาสอนพัฒนาวัตถุนิยมแล้วรวมคติไปในตัวเลยเพิ่นประสบการณ์มาเนี่ยพระองค์เจ้าจึงเดี๋ยวมาสอนเขาการพนันทุกชนิดเพิ่นเนี่ยประสบการณ์มากมัดมันบาเป็นทางเจริญ ไม่ได้ิบหายกับจิ้หายขันเว้นหละจังไปท่างจเจริญพระองค์เจ้ามาสอนโม่เฮาประสบการณ์มาวัดทั้งังดีทั้งชั่วจังไลยมาสอนหม่เฮาทางไห น, นจเจริญพระก็เลือกไหวเลือกไหวเลือกไหวเลือกไหวทางไหนพระจะเจริญพระก็เลือกไหวแจ้งว่าเลือกไหวจึงว่าพระคขาว่าเป็นผู้จำแนกจำแนกคำทัศเทวนานาวุตนาคนผู้สอนทัศเทวดาดอมนุ์ท่าไรนะเต็มภูมเพื่อนกับพให้เบาหลายเลยก็ได้ เพมันไม่เป <ai> so ็นโรกหลายชัางทายพ่อนเนาะพ่อน่เนาะยาชาวาลีวาภูราพรณ์ภเรนจิตากางเรียกว่าเมียกว่าอิตุจินเปตตาลังโมภะกบดีเรียกจิตังภะจิตังตูมาเกวะเมวะสัมมิสตะสรนทจังกะปาจันโธปนารสุยาชามุนิโยเทนสุยาชาสภีชโยวัตจันโธสะโโภยนัสัตวะเกภวทวนทราย สุขีตีกายุโคโหอภิวาทนาสีนิสันิจังวัชชะปัญญูเขตารูธรรมะทันจิอายุเวนูโสขังภาอ๋อตอนน้นอกตอนี้อกให้เพื่องจีนสูงเพืงตาเพงตาสูงเพื่องฝาเพืงฝ่ายเขาสูเขาเี่ผ้าย้าอือจึงได้สามวมนนีมามีจิตนนาอยู่สามอย่างประพฤติเจ้า โลทัตถะจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์ทรงปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แด่พระพุทธเจ้ายาทตถจริยาทรงประพฤติเพื่อจะสงเคราะห์ญาติโลทัตถจริยาทรงวัฟเฟิเพื่อจะสงเคราะห์โรค ที่นี่ช่างมันและมีมากกับมีความไม้ท่าเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติจังสันปิบัติกิดสามอย่างนั้นเข้ามาโลกไม้ชิงเทวดาแล้วมาสร้างลายรวยมีคําสอนอันเดียวถนัดสอนโลก <c oughs> มีคําสอนพระพุทธเจ้าทถนัดเหนือมูอยู่ในโลกคําสอนใดๆมันเป็นเมื่อมขืนคําสอนพระพุทธเจ้ามั่ว พระพุทธเจ้าได้ประสบการณ์มาแล้วทางซัวก็ได้ประสบการณ์มาแล้วทั้งดีก็ได้ดประสบการณ์มาแล้วจึงได้มาบรรยัติไว้อรไหยะมกทก ป, ประเภทเป็นทางซัวพระพุทธเจ้าได้เสภก่อนเอกแล้วว่เป็น ท, า ง, ท, า, นง า, นทางเจริญล่ปวุฒิม้าก็ถิ่มฟื้นช่าไฟเพื่อให้ชนะไปไมนมาสนะมิตรมันยิ่งตะพื้น ตกลงกล็ได้สอนให้เป็นการเวน้นขันเว้นแล้วจังจะเป็นมนุษย์สมบัติจังจะเป็นสวรรค์สมบัติจังจะเป็นพรทมสมบัติจังสะเป็นนื้อานสมบัติได้สร้าโลกของบาเวน้นเพราะว่าดือ้อเยงกองจากว่าเป็นดอกบัวเอามือ่อเอื่อมไปใส่นันก็ได้ตัดเมื่อขาดนู้ว่าใช่สมุทสุลกไนโหลอกมือ โรคเสมอเนี่ยขบวมี อ, อบา ย, อ า, ายยมุกสงขรามขบวมมีทหารกขบวมีตำรวจขบวมี น, อน้อกขบวสรลงพวาเพราะบวมมีเล่นอยู่รอบขาการพกข้องโลกพระพุทธเจ้ายืยนยันว่า มีจะสองขอบ่จะไม่หลายขอความละอายตบบาบความควรตบบาปเท่านั้นจะพกของโลกได้ถ้าโลกมันมีอยางอายตบบาบไม่มีความควรตะบับแล้วแต่ละหัวใจไม่มีความละอายตบบาบไม่มีความควรตะบับแล้วพกครองกันไม่อยู่จะตั้งกฎหมายว่ากี่ร้านานก็ไม่อยู่เลยชาวโลกทําความผิดในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับ มีน้ำซ้ำก็ทำในช่แจ้งอวดกันด้วยขันรวงละเมิดสองคอนี่แล้วมั่นกลับไปรวงละเมิดเส้นหาเส้นหาปกข้องไว้ประยุกไปบงงังไงละบ่เพราะ ม, มีเส้นหาไปบงงังไงเขามีเส้นหาบริบูรณ์นับทะลุอย่างสามา ขายของกับพระตองเฝ้าตำรวจทหารกับพระตองมีคดีดำคดีแดงในโรงพนักสารกับพระมีคุกกับพมีตารางกับพระมีง่ามกับพระมีเว่นกับพระมีเว่นยามกับพมีขุญแจกับพระตองมีโซกกับ่ระมีตองมีเลื่อนจํากับพระตองมีทานตำรวจกับพระตองมี พวใช้เมยพัว ไ, ว ไ, ไปเมไอะไรน้องกันแต่ว่าพอเขา้ารกกันกมารวงระเบิดพัวเมีกเกยกัน ก, รการพากันแกนกันกรบมุมีการรักทรัพกันกรบมมีการรวมประเวณีหนุ่เมียร้านเรียนกันกรบมมีปวดปดกระ่มีไมมาปวดหนู่ ม, ม ก, ว, มกว่าหกวู่กะวา่าหนุ่ เห็นควเห็นบ่เห็นก็บ่เห็นบ่ใช้เวลาทงผู้พูดและผู้ฟังช่หน้าไม่ไะอยักกับพวนี้จินเหล่าเมานี่ยิตากำได้กับพวกนี้ขที่ตีภาพหน้าพอดำแยกันกับม้มีทุกคนทุกผับเกบหน่อยเมื่อเงนละชี้หล่าชี้ตากระฟองไสขายของกับประจําเฝล่ อันนี้ลาค่าสท่นั้นเท่านี่นะท่านค่ามืออยู่ถกงแย่นญากพขออย่างพอมาเข้าระบอาชีนาทานขากันจ่ายจี้ไว้ป่นเข้ารักไท้รักทรัพย์ี้สิ่งวิ่งแล้วอยงไท่จี้ป่นก็ปัดกามีกามโมกามีข้อเกตมันเป่นผัวเป็นเมียตัวมืว่าท่านได้รับอนุญาตบาดมาง ขปขเมขพีขหนองข่วงตระกูลมันจะแจ้งกันเป็นฟัวเป็นเมียกันมันจะล่วงตูวสู้ห่องกันเลยขมขืนกบไม่เน่อันนี้ขมคืนเราข่าวพ้อมจุ่มวูหมดลายแท้ลายเพราะลายเพราะสัตย์ริยธรรสัตยิจริยารรมมันขมขืนกันแล้วมันก็ปล่อยกันไปย่างไรกับ ขันมา้าขันมา้าส่กมา้ากัดใจกัดกันเองอังอังไปสกกลักอะไรเอนไปเราทั้งไงายคือเพราะนี่มันรสชาติแค่ทำทำเราเอาเนื้อกันนะคาทิา้งว่าสมาน้ำเยอดหน่อยพวกจ้างเด็กสายเจ็ดปีเจ็ดปีก่อไปร่วงระเบิดห้าปีหกปีสามปี ที่ปีฮาปีโอลรอล่กาดจะเจอลูกเสมอเลยหนาอนาจใจขาพ่อขาแม่ก็บปน็นข้องื่อนไปซือเราว่าอะไข่าพ่อถิมขาแม่ถิมสำไว้พ่อเอาลูกน้อยๆประเทศอันบดีมบสอบก็แม่ หลกเพ่งยังเล่นหน่ อ, โอ้โหไล่เต็มที่เสมอเนี่ยฝรั่งฝนมาตกมันถ่วมกระถ่วมมันแหลกอะแหลกบุพพอดีซัดทางหลายถ้าเหินจากศีลธรรมพระองค์เจ้าพนาว่าพนว่าทำลายต่วนใหม่รําท่านอะนะ่ะเป็นหลังสาบแล้วอ่ะปลายเหตุมันก๊กเหตุมันอยูวยว่นโยนว่าไม่ศีลไม่ทํามหกเกิดมาแล้วเอาไปชินมาปแท้ น้ำขยะกับเนี่ยขาเมียขาผัวข้ปัดขาพระ ก, ก, กับขาสวดมนต์ยกขาโอ้ยมอยวอยมอยมอยมอ ย, อย่างจังอาบ น, น้ำเพราะร่างกายมันสกปรกแต่งางจังปฏิบัติเทียนทรรเพราะใช้ใจมันสกปรก อันเดียวกันยังยักปัดเพื่อนน่านเพราะมันชกกระปมันหกเจิตใจมันชกกระเอายังมาปัดเอาคว่ดีซ่านจะปัดนะชกกระปพรมันเก่ากกระต้องคน่ซัวเอาควดีมาปัดท่านจ้าเพื่อนเชีร์เพื่อนใจเพื่อนปัดที่ปฏิบัดที่ปัดเ่นปฏิเสธอาบน้ำไม่ได้เพราะร่างกายมันชกกระโ ก็ปฏิเสธปฏิบัติสินธรรมอะไรเคือกันเพราะคิตใจมันเข้าขั้กปฏิเสธสินยาเมื่อไรก็ปฏิเสธว่ามันไม่ไ ม, ม่โรคเมื่อไรเท่ากันมันก็ไม่โลกด้วยว่าที่สิญญานี่ยก็จะไปหาหมอเนี่ยเท่้ส่วนคิตใจเนีนะฮะมันไม่เจตก็ไปหาหมอประคุณพระธรรมประสงค์ปฏิบัติสินธรรม ใจเป็นมาหารโทษเป็นอาณัติทำดีก็ทําให้ใจทาชั่วก็ทําให้ใจทําดีก็ไปบอกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบอกชั่วอยู่ที่ใจทําดีก็คือทํำฉลองใจทําชั่วก็คือทํำฉลองใจทําดีก็ต่ออายุของดีอยู่ที่ใจทาชั่วก็ต่ออายุของชั่วอยู่ที่ใจ ทำบุนวันเกิดยิตใจมันเกิดอยู่ทุกวันทำบุนวันตายก็ตายจากข้าวสายบายเที่ยงอยู่ทุกวันตายจากเวลาก็อันเดียวกันท้าวมนายไม่ร่างนก็ถ้ามบุญมันเกิดวันตายคือเกขาเพราะก่อนเกิดยั่อนู่ก่อนตายเลยังล้างผมอยู่หลารอบก่อนเกิดก็อยู่ที่นี่ก่อนตายก็อยู่ที่นี่จะ่ไหมคะก่านเกิดก่อนตายอยู่ที่ใด คนเราตายแล้วเกิดไหมผู้ถามเอาข้อนเกิดถามผู้ตอบเอาข้อนเกิดตอบข้อนตายตอบผู้ถามข้อก้อนเกิดก้อนตายถามผู้ตอบข้อก้อนเกิดก้อนตายตอบก็ไม่ควรทำกันบาปมีไหมบุญมีไหมผู้ถามว่าก้อนบาปก้อนบุญถามผู้ตอบข้อก้อนบาปก้อนบุญตอบคือจิตใจ ก็ไม่ควรถามกันวิญญาณมีจริงหรือผู้ถามก็เอามาโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบก็ไม่ควรถา ม, ถามตอบกันถ้าโรคกรดลงมไม่อยู่ก็ปฏิเสธการปฏิบัติเพื่อบรรเทาโรคกรดลงไม่ได้หรือให้กระแทกหายไปถ้าปดล้โรคกดลม้มมาไม่ก็ปฏิเสธการปฏิบัติได้ เนี่ยถ้าโกรหลงโรกโกรหลงมันไม่ยุติเรียดการปฏิบัติในโลกโกรหลงเบาๆลงก็ปฏิเสธว่าไรเท่ากันคําสอนในไทยโลกคานถาเหมือนว่าเขือนคําสอนในพุทธศาสนาเมื่อเสียงทิศเสียงไม่เคลื่อนล่าเสียไปท่าไม่ทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆครอบเป็นบางขึ้นคําสอนพรนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะ ไม่ขึ้นอยู่กับพู้ลูกแล้วไม่รูกไม่ขึ้นอยู่กับพู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเจียมในทางหรือขึ้นน่าพ้วยเนาะความเมืองบางต่างไหลลงสู่มหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆคนไลรลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลูกแล้วไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันลคืนแรงขั้นกำและผลของกรรมบ่ไมข้อกรรมยอมรับถือพระพุทธศาสนาเท่าัน มันจบเกียณว่ะเปลียนเนี่ยกรรมนี่กับผลของกรรมมันตามไปจนศาสตร์ข้าวู่คนนี้าคอ่ะทางที่เข้าเฮ็ดดีคือการท่างที่เข้าแย่ทัวคือกันผลของมันมันก็ตามไปหอดข้าสโ่คนนี้ภาผู้เชื่อกำลังผลของกรรมลงได้สนิตก็คือผู้ถือพระพุทธศาสนาในนิ่งกรรมใดใครก่อจิตใจเป็นผู้ก่อขึ้นถ้ำดีกรรมมันใจเป็นผู้ถทำถ้ำชัวกรรมันใจเป็นผู้ถ้ำ ท้าไม่แลกก็ไร่ประหาใจฮะใจที่ฏิเสษให้ตาหูจมูกเรียนกายกับพิเสษไปบอลล็อตคือกันตาใจเป็นผู้บรญญัตหูใจเป็นผู้บรญญตัญญติจมูกใจเป็นผู้บัญญตัตเรียนกายใจเป็นผู้บรร ญ, ญตัตเขาคำาบ่านับเขาคำบ่าปัดเขามาใช่ซื้อต่อไปตัวกันเจ้าเป็นผู้มาใช่เสื้อคอยว่าตาหูจมูกเรียนกายเราคอยจะไปใส่เื้อต่อเป็เจ้าเนอะให้เจ้าซื้อไว้ใส่เสือ้อเขากคำว่า ก็เลยมาซื้อจาของว่าใจใจใจใจเนคำว่ารวยท่อใจกคำว่าทุกทุ่ใจนันลองสั่นรวยมากเฮ็ดดีเฮ็ดชัวเนี่ยฏิเศษสายตาของจมูกเรียงกายมันก็บ่ะรับใจเป็นผู้หุงจับคนตายเพรเห็นหูงจับมันเฮ็ดดีเฮ็ดชัวร์ผมเป็ญาติมโยห์นเรื่องมันมากมันก็มากออกมาจากใจเรื่องมันน้อยมันก็น้อยออกมาจากใจเรื่องดีก็คือการเรื่องดีมากก็มากออกมาจากใจเรื่องชั่วมากก็มากออกมาจากใจเรื่องดีน้อยก็น้อยออกมาจากใจ เรื่องเชอ้นนอยก็ น, นอนออกมาจากใจนั่นเรื่องทั้งหลายยกข้ใจใจมันผู้ป่วยเกินผูแตทงเกินคนตายเพราะจู้แทงอย่งของวิญญาณมวยย้อนไปแล้วใจในที่มันเอาจาอยากด้วยน้ำเยอะมีชีวิตยู่งน่ะเขามาเหยียบขาไม่งัวจะกูออกว่ามาฆาตายแล้วเขาขี่ใส่ดังกับว่าอย่างนั้นหร พ็กเม่อะไรกันเะมืนยามเอากันทักกันไปยังเถอะมาหาตายมาเรื่งซ้อมมือเรเปรี้ยเน่าเราหดมาจะกจับแม่นบอกนั่นญาติคำซ้ำเราญาติพี่หลอกเราบอกมัน่พอดีคนเน่ากินเขาเท่ากันโอ้ยแสบดิมาท่นมั่นกับนันหวานกับบาร้หนันท่นตื่นมาทราบว่าเปด ไปทไทยใช่หรืท่อมลายปิดปิดเม่นเม่นเม่ น, มนว่าให้คะแนนกันยุ่มือเดียวมือรุ่นมาลบเรียงไปลห <c oughs> รอแมนบอกงามกินกัหันหน้าหันตาจินย่างดิแมนบอกดึดขาพ่อมแมนบอกบญญบไไมันย่ำปไะเทศไทมันย่งแมนบอท่อมลายปิดปิดแมนหร ให้คะแนนกันด้วยมือเดียวโอ้ยแซ่บแต่แมันแต่แซ่หวานแตแซ่บอกว่าอร่อยแต่แซ่ง่ามเศร้ามากโอ้ยเหม็นแน่เพราะว่าออกมาทั้งปากฟังให้งออกมาทั้งตากล่ว่าขี้ตาออกมาทั้งปากกล่ว่าน้ำร้ายน้ำมูกออกมาทั้งหลังกล่ว่าน้ำน้ำมูกออกมาทั้งปากกลว่าน้ำร้ายออกมาทั้งตากล่ว่าขี้ตาออกมาทั้งหูกล่วว่าขี้หู ออกมาทั้งทวนนะันรักทวันเบาเขาว่าปัจจาระปัสสาวะมันระเบิดออกมาความรับเไม่ในโรคเลยเราไม่ในน า, นาเกิดก็เกิดอันนีแ ก, ก, แก้ก็แก่กกอีเก็บก็เจ็บอันนี้ตายก็ตายอันนีกินก็กินอันนี้ขีออก่ก็ขี่เอาไว้อันี้เรามีความรับใน โ, นนโรคเลยน้กที่เราเกลียหลวง่นามะเนี่ยเนวหยเขาว่ า, า, าแซ่บๆนะอาจารย์เพื่อนบน้าน ในคลื่นนึงอาจารย์พระกเทศออกมาที่นั่นหละเนี่ยตัววัเจีบเจ๊บเอเบ่งออกว่าท่นเ บ, อออนบ่งออกสั้งดากันหลวงพูมันเพ่เพ ง, พงเพ่งเพ่นเนนนอยอยงพระรันนตเนเพ่งทำพระเพ่งเป็นเน่นน่อยอย่างรกัอยู่นกันสมัยนั้นตัวคนเป็นพระเพิ่มไปเป็นเน่นพระรัตนเพ่งหลวงพูมันมาถาม เพ่งๆพระมหานาเป็นบอเนี่ย่าเป็นบรนไดในอัคน้อยสันอายุสิบซี่สัาปีนะเพ่งเอามือประจกขู้ขีพระดบเบิ้งมาสันแต่พระมหานาพกเป็นเน่ลรีนั่นมันปฏิกูลเ่้องใน้สะุลแนะาลงกายเอามาันว่าเทียดขับเทียดเนี่ยแต่เล้ลพปูรมันเทียดครับหายเห็นปฏิกูนนี่ย น, น, นั่นสักวนระดักายเทานันแล้วมีอะไรนะพันกูลมัดมันเต็มไปด้วยมูดพูดน่าจะพระพุทธเจ้ากินบูดร่าอาายพันธสอนแม้ร่างกายของเราจะทักกดที่พว ก, กเจ้าพิ่ออกทั้งหลายสมมติเราสวยงามมังสีเลยก็ไม่จะกอดมูดกอดพูดล้วสัตว์ื่อยเหม็นมันเเมเน่าไมนโค้งมาสัตว์ห้องเสียงอะไรที่เห็นก็น่ ผมอห่อยผมคือให้เป็ดเหมเขาเทียงไหนบ่อะไรเมื่อหลงร่างกายอะไรทำที่ได้หลงเหมือนกันหลงโรกกับหลงหนังแต่เมื่อหลงหนังกับเ่อหลงโลกหลงหนังก็เปงสวยของงามกต่ว่าหลงโลกกเป็นองสวยของงามเหมือนกันการู้ว่าหนังของปรมาณวัเทียงการู้ว่าโลทั้งหลายเนของปรมาณวันเทียงเนกัน ขันลงหลังกับลงมวัดล้มปูหมังเทียดลงมนี้มีบนแท่งท้่กันนังหุ่มจัวอยู่ใส่ย้ายข้างนงอยู่ข้อหอยข้างหนึ่นงอยู่ทวานนักทบไปทบมามีย1่สิบอ็ดมีใส่หน่อยเนี่ยวหลับอยู่เหมือนนังป่า ไหลเผือกตัดหัวตัดทางถ้าเเอาไปแทะไว้ในร่างเลือดนะครับเกษาผมยุทั่วทั้งกายยุย่ในหัวสังลงไปประมาณสองมิลสามมิลสองมิลทั้งกลางเสียงไงแเลยทั้งกบสวยๆคือขั้นซั่งทั้งปลายก็สวยโรนออกว่า มาตกแต่สวยปนผ่าแก้วกระเป๋าเกินแก่สาจับอยู่หัวนี่แต่ของพัจธกุลทั้งนั้นทีนี้แก่แกสาคิดก็บจับอยู่หัวโรอมาขนทั้งหลายขนเขียวขนตาขนขีแร่ขนทวันนักขนทวันเบาขนทวันนักขนทวานเบามันเป็นอย่างงั้ง้ามแท้ ยามันเกิดยกก่องฉีกข้วไอมันสกขปมันกระง่ามตัจ้ะคนฉีแรงมันคนดังมันฉี่โมกออกมาหันมันปุ๋ยมันงวดมันมันเป็นยามันง่ามแท้มันก็ะมีแต่ลำร้ายอยู่ในหันคือยานี่ะมันไนโสกขปร้ายมันกระง่ามันก็โป่งขึ้นเร้ยบฟังลงปลายมือปลายเข่า ก็เก็บปลาดึงออกาาหายมันเหลือแลนออกหลนนะ่นฟันฟันยุข่างบนไม่ยี่สิบสี่ไม่ 14, สิบสี่สี่ยุข่างล่างไม่ 14, สิบสี่สี่ฟังอยู่ไม่สีสันวันนะคือกระดูกคือสังฟังอยู่ในหมุดในกูดในของปฏิกูลในเลือดนาน้ำเลือดน้ำน้อง ซึมาบอย่ร่างดีมันไดสีแขวะโดบเบิ้งกึงไม่กินอยู่เล็บอวนฟันนั้งหงมยกทั่วร์ทางกายเนื้อทัดนังเข้าไปเป็นสินส้นๆทอกกระดูกไว้คือดินท่าคว้าเอ็นหุกมัดรัดลึงกระดูกไหวบให้กระจายกระจาย กระดูกไม่ยี่ไม่สองลอยทอนมีทอนหน่อยทอนใหญ่ไม่สีสันวันนะขาวๆคือสังอันว่าท่านนะครับเยอะในกระดูกคือยอดวายที่เผาแล้วเอาไปใช้ไว้ในกระ บ, บอกใหม่มากย่หัวใจคือบกงวงสองนวย ถ้าทาไม่กลัวอันเดียวกันไม่กลัวอันเดียวกันเป็นแยกเป็นสองน้วยหันหัวใจคือดอกบัวตูมเนี่ยนี่พาลงอันวีออกนี่น้ามันย้นหันทอซองเมื่อนี่แหละห้ามันอมันโกดน้ามันย้อนหัวใจกันดําน้ามันอมันโลบน้ามหัวใจกันดําน้ามัไรมันหลงหน้ามหัวใจก็ดําน้ามันไรมัน เหลืออหล่อมสใาน ใ, นสในพระาาพุทธพระมพสง์เหลื่อมสในธาตุในศีลในพาะวนานำหัวใจก็ใสออกส่วนพระรหันต์ว่เป็นอะไรครับสายโยกย่ยามมูห่านี่ยยามโกดไร้ดำเขาเดี๋ยวมันจะกสีดออว่าทั้งนานาแลี้ยวซ่อน <c oughs> กันขดข <c oughs> าววัดเยยามไหนมีธาตุมีศีล า, าีพรวนา เั้๋ยวเอาไซน์ในคำารัู้ต้จับไซนเขาน้ามนน้ำเลื่องไวใจตับทิ่งยกทั้งัวเนี่ยเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นเป่่นแผนแผ่นแผนเนสองแผ่นมีสีดาคร่ำเหมือนเลีนโคดำเลยเอ้ยเอ้ยพราะพวกตรวจจะมานี่ก็มาซะจะมาที่นี่ก็มาซะ ไม่ใช่นะเขาเอาพุทธธรรมสงฆ์ไปด้วยเดินคุณยืนเดินนั่งนอนรับตื่นเอาพุทธธรรมสงฆ์อยู่ด้วยไม่อยู่ห่างเหินเลยเอาเป็นที่พึ่งที่ลใดที่ปฏิปติบูชาอยู่ทุกเาื่อไม่มีประมาณแล้วลึกได้ไม่เลึกได้พอดีขอปูขาดจองขาดต่อบพระพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณแล้วลึกได้ไม่เลิกได้พอดีขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกวม่อไม่มีประมาณตอบเท่าเข้าสูตรพยาพานแล้วลึกได้ไม่เลิกได้พอดี ทูลถวายสกรรคาลกายวาชาใจขอขมาโทษต่อบพระรพุทธะจ้ามาทรองอยู่ทุกวัน ม, มีประมาณแล้วลักได้ไม่มได้พอดีก็ทูลถวย า, ายสกปรรคา า, ายวาชาใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคมสมบัติเลี้านสมบัติบูทูลถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้ทาทลายพระจำทงหลายพระยะทรงหลา ย, ย, าาลายอยู่ทุกวัน ม, มีประมาณเพื่อคนทุกเนื้อวัตเจ้าสงสารโดยด่วนและเจ็นบรรดชาตินี่เถิดแล้วขบถ้อนนั่นทําชั่วก็ทําให้ใจ นอกจากกายไม่มีอันใดจะทําดีทําชั่วทําดีก็ไปฉลองใจทําชั่วก็ไปฉลองใจทําดีก็ต่ออายุของความดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ต่ออายุความชั่วอยู่ที่ใจทําใดใครขอใจเป็นผู้ขอขึ้นมันใช่พระผู้เป็นเจ้าภายนอกศาสนาอื่นลทัทธิอื่นพระผู้เป็นเจ้าภายนอกทําขึ้นพระบรมศาสด า, า, าบอกว่า เนื้อนอนก็อ น, นอนเองห่วงนอนก็อ น, นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราจะสาคดเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นจะทำแทนไม่ได้ความดีก็พกราเธอทั้งหลายนั่นเองทำขึ้นพระบรมศารีราเราเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นเรารู้ธรมก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เนื้อทำถ้าทำให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถ จะรูทําได้ทำไม่อยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ทาเราจรึงมาเก็จ่ายออกจําแนกออกจําแหย่ออกเหตุนั้นเราจึงเท่ารักทำเราไม่สาคัญตัวอยู่แล้วทำเลยคดีดำคดีแดงในรูในศาลมันจบเกษียณเป็ น, นกรรมผลของกรรมมันจบเกษียณไม่เป็นมันก็ตามอยู่ทุกข์เอียหมด มันจะตามเรี่วเรือยชามันก็เป็นอิสระอยู่กับกรรมไม่เป็นมันก็เป็นอิสระอยู่กับผลของกรรมไม่เป็นอิสระอันอื่นจะไปกับวันประกันพรุ่งให้ถ้าคดีดำถ้ากรรมและผลของกรรมมั น, นี้เราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมของและผลของกรรมมันมีอยู่มันเป็นสารไต่สวนมันเป็นสารตัดสิน มันเป็นสังอายการมันสังขารยนาอยู่ในตัวถ้าเราเหยียบไฟไฟก็สังขารยนาให้ก็ตัดสินให้อันอื่นก็เหมือนกันที่เราทําดีความดีก็ตัดสินให้ในใจนอกจากใจไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอั น, น, ดนอกกไดจะปฏิบัติใจใจก็มีคุณเป็นมหันแต่ก็ตรงกันข้ามมีโทษเป็น อ, น, อ น, นันต์เหมือนกัน ถ้าทำดีก็ไปบอกอยินที่ใจถ้าทำชั่วก็ไปบกวกกลยที่ใจทำดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบอ่อยทำชั่วบ่อยใจก็ต่ําลงบอ่อยใจมีอิทธิพลใจเป็นหัวหน้าแต่หัวหน้าเป็นบางข้างบางข่าวหัวหน้าของกายของวาจา ก็เป็นหัวหน้าได้แต่เฉพาะที่ธาตุสีดินน้ําไฟลมบริบูรณ์ถ้าหากว่าธาตุสีดินน้ําไฟลมไม่ควรไม่การเนี่ยลุกเถิดไปเถิดใจจะบอกสักเพียงไหนมันก็ลุกไม่ได้ก็เหมือนรถคนขับรถของมือนกันถ้ารถมันขาดธาตุดินธาตุน้านําแล้วไปเถิดไปเถิดไปเถิดถ้าไม่เพิ่มธาตุดินน้ําให้มันมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน ทำไมเราจรึงอากนะ้าเพราะร่างกายมันตกรกระกทำไมเราจรึงปฏิบัติสี่งธรรมเพราะจิตใจมันตกรกรกถ้าปฏิเสธอากน้าไม่ได้ก็ปฏิเสธปฏิบัติสี่งธรรมไม่ได้เหมือนกันที่นี้คำสอนในในไตรโลกธาตมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพุทธศาสนาหมดคำสอนของพุทธศาสนา สอนโลกต้งๆจึงทรงพระนา ม, มาว่าศัสนาเทวมนุษย์นังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ท่านหลายเต็มพวงอยู่ทุกๆุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาแล้วพระพุทธเจ้าจะมากี่ร้อยๆปดพระองค์จะมาเป็นยุคยุคก็ตามก็มีพรบอันเดียวกันคำสอนอันเดียวกันขาดตัวเลยไม่ได้รับร่าพรบไม่ตั้งกฎหมายใ ห, ใหม่เหมือนชาวโลกชาวโลกกันตั้งกันอยู่ ทุกขนทุกแห่งตั้งใหม่เสมอเสมออันนั้นมันดีพอแล้วเลยไม่ได้ตั้งใหม่ไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าข้างบคุคคลเข้าข้างธรรมตรงตร ง, ตงเหมือนดิ่งเหมือนระดับน้าที่ไม่ชี้โกงเหมือนเครื่องวัดเครื่องตวงอันไม่ชี้โกงเหมือนไม่เม็ดไม่เซนอันที่ไม่ชี้โกงคนชั้นต่ําชั้นสูงเอาไปใช้ก็ไม่ผิดเป็นประโยชน์ทั้งคนชั้นต่ําชั้นสูงด้วย เฉมทิศจะมีเกี่ย น, นล้านก็ชี่ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองเครื่อง ค, คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งใหลายทางน้ำให้หน้องครองบึงบางต่างๆไรรงสูตมหาชรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหรรงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก กฎ ห, หม้ยกดหมู่วดพักพกัดพวดตั้งขึ้นไม่มองดูคำสอนพพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดถูกไหมที่การปกครองโลกพกระพุทธศาสนายืนยันแล้วทุกทุกพระองค์เขามายืนยันความเดียวกันทาเจนโรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้ถ้าโรคมันมีอย่างอายต่อบาบมันมีความกลัวต่อบาบแล้วกฎหมายกดหมูกดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่หมูฟ้องธรรมไม่นำคำหนึงก็หมดที่พึ่งจริงเองอาศัยทาคนชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับมิหนำซ้ำํามันทำในที่แจ้งอีกเที่ยวด้วยถูกไหมอ๋อถ้ามันร่วงละเมิดไม่ละอายต่อบาบไม่กลัวต่อบาบแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดศินห้าใช่ไหม ถ้าชาวโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาอายุห ก, กเจ็ดปีรู้จักยงสาแล้วมีเช่นห้าบริบูรสงครามจะมาจากประตูใดล่ะก็ไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์ก็ไม่มีมม พ, รพระพุทธเจ้ามาไ้เยืนยันว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดประมานูเป็นเครื่องพกบครองโลกพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ไม่ยืนยันเลย เป็นผู้สอนโลกอยู่ทุกๆุคทุกสมัยแล้วพระสมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพนามาระกับวิถุรัชเทวนุษย์นังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายถ้าชาวโลกไม่เสี่ยงท่าบริบูรณ์ตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีช่วยตระวนก็ไม่ต้องมีคดีดาคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีใช่ไหมนอนก็ไม่สะดุ้งขวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าง ตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้วคําสอนพระพุทธศาสนามนุษย์สมบัติก็สอนแล้วสวรรค์สมบัติก็สอนแล้วพรหมสมบัติก็สอนแล้วนิพพานสมบัติก็สอนแล้วเป็นขั้นตอนไปอบายยมุกทุกประเภทถ้าเว้นแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นพัฒนามนุษย์สมบัติไปในตัวถ้าไม่เว้นก็ตรงกันข้ามก็เป็นมนุษย์ิบัติสวรรค์ยบัติพรหมิบัตินิพพานนิบัติชาโรคอนุมานอยู่ทุกวันนี้ก่อ พระอบายามุขใช่ไหมนั่นน่นนั่ น, น, นมีแต่พระเทศอยู่คนเดียวมันก็ไม่ไหวเนี่ยเขาลงมาม่ช่วยกันถูกไหมที่โรคเอดะ ม, มาจากไหน ม, มันก็มาจากกามเมุวิชชาจารย์ใช่ไหมเพราะกามเมศวิชชาจารย์ในข้างพระองค์มีขอบเขตให้ยินดีแต่สามีและภรรยาของตนเ ท, นท่านั้นอย่าไปร่วงละเมิดเขา ที่เมื่อมันร่วงแล้วเมื่อการเมสองมิชชาจานโลกเอกก็มานะ่ะถูกไ้ยแต่ทุกวันนี้มนุษย์ของเรายิ่งกว่าสัตว์ทีรักษานเน อ, อสัตว์ที่รชาญาเช่นสุนัขอย่างนี้มันทำอันไม่ดีไม่ได้กันแล้วมันก็ปล่อยให้กันไป แ, แต่พวกเราชาวโลกข้าปิดปากเลยอยู่พ่ อ, เอเยิ่งเ่เอ๋ยนั่นมันยิ่งไปกว่าสัตว์ที่รชาญชาวโลก แต่กว่าประเทศไทยยังดีกว่าเขาอยู่ก็ถือศาสนาพุทธส่วนอันอื่นก็ยิ่งไปกว่านี่ถ้าประเทศไทยเราขนาดนี้แล้วประเทศอื่นจะขนาดไหนล่ะ <c oughs> นั่ง <c oughs> ถูกไหมที่ว่ามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองก็พูดก่อนพาไปเฉย ถ้าพระไม่สอนบ่านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนล่ะน่ากไหมเออตังคุณยักษ์เขตตังโลกัสสาติเป็นนาบุนของโลกจะเอาอะไรมาเป็นนาบุนของโลกมัก็ไม่มีอาบายมุขพระพุทธศาสนาห้ามขาดเป็นทางชีบหายไม่มีสารอุทธรณ์ แทงมา้าแทงวัวก็อบายมุกนุ่งน้อยห่มน้อยก็อบายมุกเพราะเป็นเรื่องยั่วยวนชวนให้ราคะจัดขึ้นชิงไหนที่ไปบวกกับราคะให้จัดขึ้นชิงไหนจะไปบวกกับโทจะให้โทสะให้จัดขึ้นสิงไหนจะเป็นบวกกโมหะให้หลงขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธศาสนานะัคกุศลบุตรด้วยสถานหก หนึ่งห้าม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งอุปกรณ์ดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันนา่าสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสถาทให้นั้นนระหว่างผัวกับเมียพอเ ร, ร, รามาสาธาข้อสอนหนึ่งด้วยยกย่องรับเธอเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้วยมาความเป็นหน่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัว คณียาได้รับมาลงที่นี่แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานะ ห, หนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ทรีผัวหามาได้ไว้ข้อห้าขยันไม่เกียรจข้ามในกิจการทางบวกถ้าผัวกับเมียมีข้อวัดคนละห้าข้ออย่างนี้การทรัพย์บาแวงจะมาจากประตู